สวัสดีคุณผู้ฟังพระเจอผีค่ะก่อนอื่นบีต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะที่กรุณากดติดตามแล้วก็รับฟังช่องพระเจอผีของเรานะคะรวมถึงการคอมเมนต์แล้วก็การแชร์การไลค์ต่างๆคุณผู้ฟังที่ใช้ชื่อ Facebook ว่าท็อปประมาณนี้แหละนะคะบอกว่าชอบรายการนี้มากเลยนะคะติดตามใน u t u b e ตลอดก็เลยอยากจะเอาประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเมื่อสิกว่าปีที่แล้วเนี่ย คือท็อปนี่เป็นคนชนบทแล้วก็เป็นคนในต่างจังหวัดเวลาจะมีงานบุญมีหมอลำนานๆนะคะจะมีครั้งหนึ่งคือคุณท็อปกับเพื่อนคนหนึ่งนี่ไปเที่ยวงานหมอลำก็เลยไปจนถึงตี3าง่วงมากชวนเพื่อนกลับระยะทางจากงานกลับบ้านนี่ห่างกันประมาณ3กิโลแต่ว่ามันจะมีอยู่จุดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นทางโค้งแล้วก็เป็นทางสามแพ่งด้วย ตรงหลุดคอสะพานมามันเป็นบ้านของสอสอเก่าที่ปล่อยทิ้งร้างมานานมากคือจุดนี้เนี่ยมันชอบเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยคือมีคนตายแล้วก็เสียชีวิตคาที่แทบทุกรายก็คือเรื่องๆ เ, เนี่ยคุณทอปบอกว่าขับรถกลับบ้านพอใกล้ถึงตรงนี้ก็จะเห็นผู้หญิงเดินอยู่คนเดียวด้วยความที่เป็นวัยรุ่นเนาะก็เลยให้เพื่อนจอดรถถามแต่ว่ายังไม่ได้ดับเครื่องเลยนะคะรถมันดับเอง ก็เลยกะว่าจะเอาไฟโคมเนี่ยไฟโคมที่คาดหัวนี่แหละนะคะส่องแล้วก็ถามว่าให้ไปส่งไหมแต่ว่าน้องผู้หญิงคนนั้นเนี่ยไม่ตอบก็เลยเข็นรถตามไปใกล้ๆเผื่อว่าจะเป็นคนที่รู้จักกันแต่สักพักหนึ่งน้องเขาหันหน้ามาค่ะคือไม่เห็นหน้านะ ในใจก็คิดเลยว่าไม่ใช่คนนั่นแหละกะวิ่งเต็มที่แต่สักพักหนึ่งคุณผู้ฟังเพื่อนที่เป็นคนขับรถเนี่ยค่ะลงวิ่งเข็นรถมอเตอร์ไซค์จนเข็นแซงคุณท็อปไปที่ไม่ได้เข็นอะไรเลยนะคะตอนเช้ามาต้องไปรถน้ำมนต์ทั้งคู่เลยนี่ก็เป็นเรื่องสั้นๆเปิดหัวในคลิปนี้ที่เรานำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะขอบคุณเรื่องสั้นๆสยองขวัญแบบนี้จากคุณท็อปด้วยค่ะ เรื่องราวต่อไปนี้ที่บีจะเล่าเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะที่เขาใหญ่เนะคะมีคุณผู้ฟังบอกว่าเป็นเรื่องหลงทางที่เขาใหญ่จนเจอผีนี่แหละเรื่องจะเป็นยังไงเนี่ยลองมาฟังกันดูนะคะเจ้าของเรื่องบอกว่าปกติเนี่ยเป็นคนที่ชอบเห็นอะไรที่ใครเขาไม่ค่อยเห็นกันแต่ว่าเรื่องนี้ต้องยอมรับว่าตกใจสุดๆเลยเมื่อเจอเขาคนนั้นมีอยู่วันหนึ่งเลิกงานกลับมาบ้านซึ่งวันนั้นเป็นวันศุกร์พอดี พรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดกันก็คุยกันกับแฟนแล้วค่ะบอกว่าจะไปเที่ยวแบบธรรมชาติสักคืนหนึ่งสูตรอากาศดีๆเข้าปอดสักหน่อยก็เลยลงมติกันนะคะบอกว่าจะไปเที่ยวเขาใหญ่กันหลังจากนั้นก็เก็บเสื้อผ้าใส่กร ะ, ะเป๋าว่าจะกลับสักเช้าวันอาทิตย์แต่ก็ติดภารกิจที่สําคัญคือต้องไปส่งของคือทํามะม่วงนะคะที่บ้านทําสวนมะม่วงด้วยก็เลยจะต้องไปส่งมะม่วงให้กับลูกค้าให้เสร็จก่อนถึงจะไปได้จนกร ะ, ะทั่ง เวลาประมาณ4ี่ทุ่มค่ะก็กลับมาบ้านก็ถามแฟนอีกครั้งเลยว่าจะไปเลยหรือเปล่าหรือว่าค่อยไปพรุ่งนี้เช้าแฟนก็เลยบอกว่าไปเลยก็เลยตกลงกันนะฮะกับแฟนบอกว่าออกไปเลยและกันถ้างั้นก็ไม่ต้องรออะไรละระหว่างที่ขับรถไปเรื่อยๆคุยกันไปเรื่อยๆค่ะมาถึงทางที่จะไปเขาใหญ่คือไปโดยไม่ได้เตรียมว่าจะพักที่ไหนรีสอร์ทอะไรคือว่ากะจะไปหาเอาข้างหน้าก็เลยแวะที่ปั๊ม ะะทําทุระก่อนจะเข้าไปในเขาใหญ่เพราะว่าจะมีอยู่ปั๊มเดียวเข้าไปก็จะไม่มีปั๊มแล้วนะคะพอขับรถไปเรื่อยๆค่ะเส้นทางก็เริ่มมืดขึ้นเรื่อยๆขณะนั้นก็ประมาณ5้าทุ่มกว่าได้แล้วขับรถไปเรื่อยๆก็ยังหาโรงแรมหารีสอร์ทที่ถูกใจไม่ได้ก็ขับเข้าไปเรื่อยๆจําได้ว่าเลี้ยวซ้ายครั้งเดียวทางยิ่งมืดเข้าไปใหญ่ มีความรู้สึกว่าจะเข้าไปในไร่ที่เขาปลูกข้าวโพดกันเต็มสองข้างทางต้นไม้เต็มไปหมดมองอะไรแทบจะไม่เห็นเลยทางก็เป็นทางลูกกรังอีกตั้งหากนะคะก็เลยคุยกับแฟนบอกว่าต้องออกแล้วละ่ะตัดสินใจกลับรถออกมาเพื่อที่จะกลับทางเดิมทีนี้เจ้าของเรื่องเนี่ยก็ได้ขับรถออกมาเรื่อยๆเลี้ยวตามทางที่เคยผ่านมา แต่มีความรู้สึกนะฮะว่าเหมือนยิ่งเข้าไปลึกกว่าเดิมหนักกว่าเดิมอีกมืดกว่าต้นไม้หนากว่าอีกก็เลยคุยกับแฟนว่าสงสัยจะหลงแล้วละ่ะก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อที่จะเปิด GPS งานเข้าเลยหาทีนี้ไม่มีสัญญาณทั้งของแฟนแล้วก็ของเจ้าของเรื่อง ทำยังไงก็ไม่มีสัญญาณค่ะก็เลยตัดสินใจกลับออกไปใหม่เหมือนวนอยู่ที่เดิมคุณผู้ฟังเชื่อไหมฮะเจ้าของเรื่องบอกว่าขับวนอยู่อย่างนั้นประมาณเกือบ2ชั่วโมงจนตีหนึ่งก็เลยเกิดอารมณ์โมโหกะว่าจะมาเที่ยวนอนสูดอากาศบริสุทธิ์ซะหน่อยดันมาหลงทางอีกนะคะคนโมโหเนาะคำพูดคำจาอาจจะหยาบคายไปหน่อยต่างๆนานาคือออกมาหมด แบบไม่ได้ยั้งคิดจนแฟนเริ่มดุบอกว่าให้หยุดพูดในป่าในด o n g แบบนี้จะพูดจะด่าอะไรก็ให้ระวังด้วยเริ่มมีสติขึ้นมาค่ะก็เลยขับวนไปวนมาอยู่ที่เก่าหาทางออกไม่เจอทีนี้กลับมาทีไรก็เจอแต่จุดเดิมจุดที่สังเกตเนี่ยนะคะก็คือไปเจอจุดที่เขาสร้างเป็นเพิงพักเวลาที่เขาทำไรประมาณนี้ก็เลยเข้าใจว่าเป็นจุดเดิมก็เลยหยุดรถตรงนั้นแหละตั้งสติใหม่ ขณะนั้นตีสองแล้วทำอะไรไม่ถูกก็เลยตัดใจเอาอีกรอบหนึ่งรอบนี้แหละค่ะจุดเกิดเหตุการณ์ที่หลอนที่สุดแล้วก็แฟนขับรถไปในทางเดิมนะคะไฟหน้ารถก็สาดส่องคราวนี้เห็นแต่ไกลไฟหน้ารถนี่ไปปะทะกับอะไรก็ไม่รู้สีขาวๆพอขับไปเรื่อยๆค่ะก็ยิ่งชัดขึ้นชัดขึ้นมันเป็นคนยืนหันหลังอยู่ตอนนั้นดีใจมากกะว่าจะไปถามทางเพื่อออกจากตรงนี้ ก็เลยเริ่มเบารถแล้วก็หักรถเข้าไปเพื่อจอดเทียบทันใดนั้นนะคะแฟนก็เริ่มกรีดเสียงดังแล้วก็บอกให้ขับออกไปเลยอย่าจอดแล้วก็กรีดไปด้วยนะคะจากที่เธอนั่งอยู่เบาะข้างหน้าเบาะข้างๆซึ่งถ้าจอดอยู่ก็จะอยู่ใกล้ชิดกับผู้ชายคนนั้นมากแฟนของเจ้าของเรื่องเนี่ยกระโดดมาเกาะเจ้าของรถ ก็คือเจ้าของเรื่องในจนรถเกือบเสียหลักนะคะก็เลยเบรกรถกลัวที่จะชนกับผู้ชายคนนั้นแฟนของเจ้าของเรื่องนี่แหละค่ะสติแตกเลยกรีดไม่ยอมหยุดนะคะแล้วก็บอกไปเลยไปเลยอย่าจอดเจ้าของเรื่องที่เล่าเรื่องนี้บอกงงมากตกใจตกใจอยู่เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นเพราะว่าเขาก็มองผู้ชายคนนั้น ผู้ชายคนนั้นก็ค่อยๆ ย, ยื่นมือขวาออกมาแล้วก็เริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นนะคะเหมือนกับประมาณจะโบกรถนี่แหละเสื้อผ้าขาดรุงริงไม่เห็นขาทั้งสองข้างแล้วก็ค่อยๆหันหน้ามาช้าๆแฟนของเจ้าของเรื่องเนี่ยร้องไห้แบบคนขาดสติค่ะก็เลยเริ่มออกรถเห็นอย่างนั้นแล้วก็ไปสิฮะรออะไรออกรถไปได้ตอนนี้แฟนก็ยังเกาะอยู่เลยก็เลยมองตาไม่กระพริบแกก็ยังหันหน้ามาอยู่เรื่อยๆแบบช้าๆ ตาต่อตาเลยนะจนต้องตะลึงเพราะว่าหันหน้ามามองกันพบว่าหน้าของผู้ชายคนนั้นเนี่ยมีแต่เลือดอาบเต็มหน้าไม่เห็นลูกตาหน้านี่ซีดขาวคราบเลือดเต็มเสื้อเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งไปหมดนะคะแถมยกมือขึ้นมาโบกรถเหมือนบอกให้จอดนะคะเจ้าของเรื่องที่เป็นคนขับรถเนี่ยไม่ละสายตาค่ะยังคงมองที่กระจกหลังผู้ชายคนนั้นก็ค่อยๆหายไป โอ้ตกใจมากเงื่อนี่แตกไปหมดเลยในะขณะที่แอร์ในรถนี่เย็นเจี๊ยบเลยนะคะซึ่งแฟนก็ยังคงสติแตกอยู่เลยแล้วก็บ่นให้กันบอกมาจอดทำไมกูบอกไม่ให้จอดแล้วก็ขับรถออกไปไกลจากตรงนั้นกลัวเหมือนกันนะบอกว่าจะมาโบกข้างหน้ารถอีกหรือเปล่าก็เลยคุยกับแฟนว่าจะทำยังไงกันดีพอตั้งสติได้สักพักนึงก็เลยนึกถึงเรื่องที่เราพูดจามไม่ดีคาด่าออกมาหมด เลยพูดในใจขอขมากันไปตามเรื่องตามราวแล้วก็ขอให้เจ้าป่าเจ้าเขาเนี่ยช่วยให้ลูกออกจากที่นี่ได้หลังจากนั้นก็เลยลองเข้า GPS อีกรอบหนึ่งคราวนี้สัญญาณมาค่ะค้นหาตำแหน่งที่อยู่พบว่าอยู่กลางเขาแล้วก็กลางไรนาที่กว้างมากไม่รู้ว่าเข้ามาได้ยังไงนะคะก็เลยไปตามเส้นทาง GPS ไม่ถึง10นาทีก็สามารถออกมาจากจุดจุดนั้นได้ก็เลยหาที่พักข้างนอกดีกว่าตรงถนนมิตรภาพนะคะกว่าจะได้นอนกันก็ตี3กว่าเลยซึ่งแฟนก็ยังคงตกใจไม่หายนอนยันเช้าเลยนะคะแฟนก็เลยถามว่าจะจอดทำไม เจ้าของเรื่องเนี่ยก็เลยตอบแฟนบอกไปบอกว่าเอา้าก็นึกว่าเป็นคนจะไปถามทางแฟนบอกว่าเห็นตลอดที่ขี่รถผ่านมาทางเดิมที่วนเวียนไปมาหลายรอบเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ทักที่ทักเพราะว่าจะจอดรับเขาตอนนั้นกลัวมากแล้วก็ถามว่าโดดไม่ได้ยังไงจากฝั่งคนนั่งแฟนก็เลยบอกก็มันตกใจนี่ก็เลยไปเที่ยวกันต่อค่ะเลยลองขับรถกลับทางเดิมที่เราเข้าไปเมื่อคืนแต่ว่าจาทางเข้าไม่ได้สรุปเขาคนนั้นคือใคร ก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่เหมือนกันนะคะว่าเขาเสียชีวิตยังไงเขาเป็นใครเขาเป็นผีที่อยู่ที่นั่นมานานแล้วหรือยังหรือว่าถูกฆ่าทิ้งแล้วก็เอาไปไว้ที่นั่นก็เลยกลายเป็นผีที่ต้องเฝ้าอยู่ที่นั่นตลอดนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่สองที่บีนำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะเรื่องต่อไปนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่คนเท่าคนแก่เล่าต่อๆกันมาให้ฟังเป็นเรื่องของผีบังตาค่ะเรื่องนี้เนี่ยนึกทีไรก็ขนลุกทุกทีเลยนะคะ คุณย่าเป็นเด็กอีสานซึ่งตอนนั้นคุณย่าอายุ70แล้วนะคะร่างกายแข็งแรงดียังคงทอผ้าทำงานเล็กๆน้อยๆเรื่องที่ย่าเล่าให้ฟังเกิดขึ้นเมื่อสมัยย่าอายุประมาณ 7-8 ขวบค่ะครอบครัวของย่าเนี่ยค่อนข้างจะมีฐานะเพราะว่าทวดเนี่ยเคยเป็นนายห้อยคุณย่านี้มีพี่น้องทั้งหมด9คนค่ะย่าเป็นคนที่4ทวดนั้นเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเป็ดแล้วก็ไก่ไว้เยอะมาก ลูกชายของคุณปู่จะให้ไปเลี้ยงวัวประมาณเกือบ20ตัวเลยนะคุณผู้ฟังส่วนคุณย่ากับพี่สาวคนที่3ได้ดับหน้าที่เลี้ยงควาย6ตัวเพราะว่าควายจะเลี้ยงง่ายกว่าวัวค่ะส่วนลูกคนเล็กๆทวดจะให้ไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นับร้อยนับพันตัวกับทวดผู้หญิงสมัยนั้นไม่มีใครต้องไปเรียนหนังสือเนาะหน้าที่หลักก็เลยมีตามนี้นะคะวันนั้นคุณย่าเนี่ยไปเลี้ยงควายตามปกติโดยนึ่งข้าวเสร็จแล้วก็ต้มไข่กับ เป็นไข่เป็ดเนี่ยนะคะกับแจ่วปลระไปกินระหว่างวันกันทางไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนั้นจะต้องข้ามคลองน้ำที่มีน้ำลึกเกือบถึงหลังควายดังนั้นวิธีข้ามก็คือย่ากับพี่สาวเนี่ยจะนั่งอยู่บนหลังควายคนละตัวให้ควายพาเดินข้ามน้ำเวลาที่น้ำลึกมันจะท่วมหลังควายก็จะยืนทรงตัวบนหลังควายแทนระยะทางข้ามคลองก็ประมาณ20เมตรค่ะ เมื่อข้ามคลองมาได้ก็ช่วยกันดึงปลิงออกจากควายแล้วก็เอามดแดงตามต้นไม้เนี่ยมากัดปลิงเป็นเรื่องสนุกสนานของเด็กสมัยนั้นไปแล้วก็เดินต่อไปถึงลานเลี้ยงควายที่เป็นที่นาของญาติญาติเพราะว่าเป็นฤดูที่เพิ่งเก็บเกี่ยวเสร็จก็เอาควายไปเลี้ยงแถวนั้นได้นะคะคุณย่าบอกว่าพอออกจากบ้านต้องออกจากบ้านประมาณตีสี่กว่าๆเลยนะไปถึงที่เลี้ยงควายเนี่ยแดดก็ออกจะได้กินข้าวเช้าพอดี แล้วก็ไปถึงก็ปล่อยให้วัวให้ควายนี่เดินกินหญ้ากันนอนแช่โคลนกันไปยญ้ากับพี่สาวก็พากันกินข้าวเช้าพอกินข้าวเสร็จค่ะก็พากันไปเดินเล่นตามราษาเด็กจนเที่ยงก็จะพาควายไปกินน้าโดยยญ้ากับพี่สาวเนี่ยต้องลงไปตักน้ำใส่ถังมาให้ควายกินเพราะว่าถ้าควายลงไปกินเองอาจจะขึ้นไม่ได้ วันนี้พี่สาวก็เลยชวนย่าไปตักน้ำที่บ่อบ่อนาตาสวงนะคะก็คือนาตาสวงเนี่ยอยู่ติดกับนนท์เจ้าปู่ที่เป็นที่เคารพของหมู่บ้านโดยลักษณะเนี่ยจะเป็นนนใหญ่ๆเป็นป่าโล่งๆมีต้นไม้สูงแล้วก็มีศาลเจ้าปู่อยู่ทัวจะกาชับหนักหนาเลยบอกว่าอย่าไปเล่นแถวนั้นเพราะกลัวว่าจะไปทำอะไรไม่ดีไม่ถูกไม่ควรโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการเมื่อเอาน้าให้ควายเสร็จเรียบร้อยค่ะย่า กับพี่สาวก็ได้เวลานอนกลางวันกันโดยคุยกันนะคะว่าจะไม่พาควายกลับไปที่เดิมแล้วเพราะว่าเหนื่อยขี้เกียจเดินถึงเย็นค่อยพากลับบ้านเลยย่ากับพี่สาวก็พากันกินข้าวกลางวันกินเสร็จก็พากันไปเดินเล่นย่าเล่นได้สักพักหนึ่งก็เหนื่อยบอกว่าจะนอนก็เลยปีนขึ้นไปนอนเล่นบนหลังควายที่กําลังยืนเคี้ยวหญ้าอยู่ใต้ร่มต้นกระบกขนาดใหญ่ย่ากําลังเรียกให้พี่สาวมานอนกลางวัน หันไปเห็นพี่สาววิ่งไปทางกอไผ่ใกล้กันกับโนนเจ้าปู่นะคะแล้วก็ทำท่าทำทางเอามือคุยดินแล้วก็พูดอยู่คนเดียวย่าก็คิดว่าเออคงอยากจะเล่นขายของก็ไม่ได้สนใจอะไรก็เลยนอนต่อค่ะที่นี้พอเคลิมหลับไปสักพักหนึ่งย่าต้องสะดุ้งตื่นเพราะว่าได้ยินเสียงพี่สาวร้องไห้ย่าก็เลยรีบกระโดดลงจากหลังควายไปหาพี่สาวที่ยืนร้องไห้อยู่ข้างต้นมะกอกน้าข้างสะ ก็เลยเข้าไปถามพี่สาวพี่สาวเอาแต่ร้องไห้บอกว่ากลับบ้านกลับบ้านย่าก็เลยบอกว่ากลับตอนนี้ก็โดนตีตายนะสิเพราะดูแล้วน่าจะประมาณบ่ายสามโมงนะคะย่าบอกว่ารอก่อนอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวจะพากลับให้ควายมันลุกขึ้นทุกตัวก่อนตอนนั้นควายนอนแช่โคลนอยู่นะคะสักพักพี่สาวก็เงียบไปไม่ยอมพูดอะไรต่อจนผ่านไปประมาณชั่วโมงกว่าได้เวลากลับ พี่สาวย่าบอกให้ย่าเนี่ยเป็นคนไปต้อนควายที่อยู่ไกลๆเองก็เลยเกิดการทะเลาะกันค่ะถึงขั้นตีกันตามประษาเด็กจนพี่สาวของย่าโกรธแล้วก็วิ่งกลับบ้านไปก่อนย่าก็ทั้งโกรธทั้งร้องไห้เหมือนกันเพราะโมโหที่ต้องเอาควายกลับบ้านคนเดียวย่าก็ทั้งหอบปิ่นโตเอ้ยหอบกระติบข้าวเอ้ยโดยให้เอาผ้าเข่ามาเนี่ยผูกหลังไปแล้วก็เดินไปต้อนควายทีละตัวทีละตั ว, ตวสักพักหนึ่งก็เห็นพี่สาว เดินกลับมาช่วยไล่ควายแต่ว่าอยู่ดีๆนะลูกควายที่เพิ่งจะเกิดไม่กี่เดือนก็เกิดตกใจค่ะวิ่งตเตลิดเข้าไปในป่าหลังนนเจ้าปู่ย่าตะโกนบอกพี่สาวให้ต้อนควายที่เหลือไว้เดี๋ยวจะแตกฝูงส่วนย่าเนี่ยจะวิ่งตามลูกควายไปย่าบอกว่าจำได้แค่ว่าวิ่งตามลูกควายไปในป่าวิ่งไปเรื่อยๆก็หาลูกควายไม่เจอย่าก็หาลูกควายจนค่าจนมืดจนเหนื่อย จะเดินออกจากป่าก็หาทางออกไม่เจอค่ะก็เลยนั่งพักแต่ว่าตอนนั้นย่าบอกว่าไม่ได้กลัวอะไรนะเพราะว่าป่ามันไม่ใช่ป่าใหญ่มันเป็นป่าโล่งมองเห็นนาชาวบ้านอยู่เพียงแต่ว่าที่หาทางออกไม่เจอคือทางเดินเท้าเนี่ยมันมองหาไม่เจอถ้าจะออกก็ต้องบุกญ้าพงหนามออกไปย่าก็เลยไม่ออกไปเนีคะกะว่าจะนั่งจนหายเหนื่อยก่อนแล้วค่อยเดินออกไป ย่าบอกว่ามีความรู้สึกเหมือนมันวูบๆไปสักพักหนึ่งแล้วก็ได้ยินเสียงร้องไห้เรียกชื่อยา่าซึ่งย่าจะได้ยินเสียงของทวดหญิงหรือแม่ของย่าเองย่าก็เลยลืมตาขึ้นตอนนี้รอบตัวย่านี่มืดไปหมดค่ะมองไม่เห็นอะไรเลยได้ยินแต่เสียงเรียกเต็มไปหมดย่าตะโกนตอบกลับแต่ก็ไม่มีเสียงออกมาแม้จะร้องไห้ยังไงก็ยังไม่มีเสียง ตอนนั้นย่างงมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นกลัวก็กลัวก็เลยมึนๆไปจนหลับไปอีกรอบตื่นขึ้นมาอีกทีหนึง่งสว่างแล้วย่าก็เห็นทางเดินออกไปซึ่งเป็นรอยทางเดียวกันกับที่วิ่งเข้ามาก่อนหน้านี้เมื่อตอนกลง า, นางวันเนี่ยนะคะซึ่งจะเป็นทางที่ชาวบ้านเนี่ยเขาเข้ามาหาเก็บเห็ดหาหน่อไม้หรือว่าจะเป็นพวกผลไม้ป่าย่าก็ค่อยๆเดินร้องไห้ออกไปตามตัวนี่มีแต่รอยยุงกัดเต็มไปหมดเลยแล้วย่าก็เดินกลับบ้าน พอมาถึงคลองที่จะข้ามก็ข้ามไม่ได้เพราะว่าไม่มีควายให้ขี่หลังพอดีมีคนในหมู่บ้านเดินผ่านมาค่ะก็เลยพาญานเนี่ยซ้อนจักรยานอ้อมไปจนถึงที่ที่มีสะพานข้ามคลองซึ่งอยู่ไกลออกไปหลายกิโลแล้วก็พาญาไปส่งที่บ้านเมื่อไปถึงค่ะทวดหญิงชายต่างร้องโอดโอยเพราะด้วยเพราะความเสียขวัญน่ยนะคะแล้วก็ดีใจที่เห็นคุณย่าเนี่ยกลับมาบ้านได้อย่างปลอดภยัย คุณย่าบอกว่าตอนนั้นเนี่ยไม่รู้อะไรหรอกรู้แต่ว่าได้กินขนมเยอะแยะมากมายมีชาวบ้านมาหามากเยอะมากนะคะแล้วก็ให้เงินไปซื้อขนมมีคนมาผูกแขนเต็มไปหมดเลยแถมยังไม่ต้องไปเลี้ยงควาอีกหลายวัน ย่ามาเล่าให้ฟังย้อนหลังว่ามารู้เรื่องเอาก็คือเมื่อตอนโตเป็นสาวแล้วว่าตอนที่ย่าวิ่งตามควายเข้าไปในป่านั้นเนี่ยพี่สาวย่าไม่กล้าวิ่งตามเข้าไปเพราะว่าตอนกลางวันนั้นพี่สาวเห็นผู้หญิงคนนั้นมาเก็บเห็ดคือแต่งตัวธรรมดาเหมือนชาวบ้านหมู่บ้านอื่นแล้วก็ยืนยิ้มพร้อมกับกวักมือเรียกให้พี่สาวย่าไปดูเห็ดโคลข้างกอไผ่ก็ตอนที่ย่าเห็นตอนนอนกลางวันนั่นแหละนะคะและผู้หญิงคนนั้นก็ถามพี่สาวย่าว่าจะเอาเห็ดกลับบ้านไปแกงไหม แต่ว่าพี่สาวก็ปฏิเสธไปผู้หญิงคนนั้นก็เลยทําท่าทําทางแบบหน้าตากโกรธนะคะทำตาเขียวใส่ย่าแล้วก็ลุกขึ้นเดินเข้าไปทางป่าแล้วอยู่ดีๆก็หายไปเลยค่ะพี่สาวย่าก็เลยวิ่งหนีออกมาแล้วก็ร้องไห้ชวนย่ากลับแต่ว่าตอนนั้นพี่สาวไม่ยอมบอกย่าก็เลยไม่พากลับบ้าน แล้วตอนทะเลาะกันเนี่ยพี่สาวจะกลับบ้านแล้วแต่นึกขึ้นได้ว่าข้ามคลองไม่ได้ค่ะอันนี้ย่าพูดทั้งพูดทั้งหัวเราะว่ามันไม่ได้ห่วงย่าหรอกมันมันไปไม่ได้มันก็เลยกลับมารอควายข้ามแล้วจะขี่หลังควายไปด้วยกันแล้วตอนย่าวิ่งตามลูกควายเข้าไปนั้นเนี่ยลูกควายตัวที่วิ่งไปเนี่ยมันออกมานานแล้วเพียงแต่ว่าย่าเนี่ยไม่เห็นมันออกมาเฉยเฉยจนกระทั่งมืดพี่สาวก็เลยรีบกลับบ้านไปบอกทวด ชาวบ้านก็เลยออกมาตามหาย่ากันเกือบทั้งคืนแต่ก็ไม่เจอค่ะจนต้องเรียกให้คนทรงร่างเจ้าปู่มาถามเจ้าปู่บอกว่าเขาเอ็นดูเดี๋ยวเขาก็คืนให้กลับไปรอที่บ้านเถอะ ชาวบ้านที่บอกมาตามหาเนี่ยก็เลยกลับไปนะคะแล้วญาติก็กลับมาบ้านเองจริงๆเรื่องก็มีประมาณนี้ละค่ะอาจจะไม่มีอะไรมากแต่ว่าเป็นความเชื่ อ, องคนสมัยก่อนเนานะแล้วก็เรื่องเหลือเชื่อแบบนี้เนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะคะในะบางพื้นที่บางหมู่บ้านตามต่างจังหวัดตา ม, ตามชนบทนะคะที่หายเข้าไปในป่า3าวันเวันออกมาแล้วก็บอกว่าไปอยู่บ้านหลังนั้นไปอยู่บ้านหลังนี้หลังใหญ่โตมากมีของกินอิ่มท้องดีสบายดี กับพ่อใหม่แม่ใหม่เลยก็มีเหมือนกันนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับฟังกันละกันนอกาเป็นเรื่องราวที่บีนำมาฝากคุณผู้ฟังกันจากกระทู้พันทิปย์นะคะเจ้าของกระทู้ค่ะใช้หมายเลขสมาชิก 364-58614 นะคะเรื่องสุดท้ายที่บีจะนำมาเล่าให้ฟังค่ะเรื่องนี้หลายๆท่านคงจะจำกันได้กับเหตุการณ์เครื่องบิน b o e ิง g 737-400 ขีด ที่เกิดเพลิงลุกไหม้ระหว่างที่เครื่องจอดคาเกตกันตรงนั้นนะคะก่อนที่จะบอดดิ้งผู้โดยสารไปเชียงใหม่ซึ่งไฟนั้นค่ะก็มีบุคคล VIP อย่างเช่นอดีตนายกที่ทุกท่านรู้จักกันดีนั่นเองซึ่งเหตุการณ์นั้นทําให้มีพี่เซจูดที่อยู่ระหว่างการเตรียมเครื่องก่อนจะบอดดิ้งหนีออกมาไม่ทันเสียชีวิตไป1ท่านและหลังจากเหตุการณ์นั้นก็มีผู้พบเจอพี่เซจูดอยู่แถวเกตนั้นค่ะ แม้ว่าตอนนั้นดอนเมืองจะปิดไปเมื่อปี49แล้วก็กลับมาเปิดอีกครั้งเมื่อช่วงปี50พี่เขาก็ยังคงอยู่นะคะจนกระทั่ง1สิงหาคม2554ก็ได้ทำการย้ายทุกสายการบินมาที่เทอร์มินอล1ก่อนน้ำท่วมได้ราว3เดือนค่ะ ตรงส่วนอาคารโดมสติกก็ปิดไปไม่ได้ใช้งานอีกแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าอะไรอย่างไรนะครับเพราะว่าไม่เคยไปเจอเองแต่ว่าเคยได้ยินกราวที่ทำงานไฟดึกๆ ก, กลับไฟเช้ามืดพูดให้ฟังบอกว่าไม่คล้อยมีใครกลับไปรับส่งเครื่องคนเดียวถ้าเป็นเกณนี้นะก็ต้องไปกันหลายๆคนหน่อย เรื่องเล่าประมาณนี้ค่ะเหตุการณ์ที่เครื่องบินการบินไทยชนภูเขาหิมาลัยที่เนปาล31กรกฎาคม2535กับเที่ยวบินกรุงเทพกาตามันทุ TG311 เครื่องบิน Air 10, ์บัสเอสารหัส HSTID สมัยการบินไทยตกที่เนปาลเขาเล่ามาบอกว่าน่ากลัวมากค่ะขนลุกอยู่เลยเคยได้ยินหรือเปล่าคะการบินไทยเครื่องบินชนเขาที่เนปาล น, นานมากแล้ว ตายยกลำหลังจากนั้นอีกไฟก็คือเครื่องบินก็มาลงปกตินี่แหละหลังจากทุกอย่างเรียบร้อยเป็นไฟแรกนะคะหลังจากเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นที่มาลงพร้อมลูกเรือก่อนบอร์ดผู้โดยสารลูกเรือทุกคนก็มาสวดมนต์กันอุทิศส่วนกุศลไปให้สู่สุขตินะคะทีนี้พอเตรียมบอร์ดมีแอร์นะคะบอกว่าเห็นแอร์ใส่ชุดไทยขาดรุ่งริ่งยืนอยู่ข้างนอกตรงงวงยืนอยู่หลายคนค่ะ หันไปอีกทีนึงอ่ะไม่เห็นแล้วก็เลยคิดว่าตาฝาดแต่ก็กลัวๆอยู่ก็เลยให้เพอร์เซอร์มายืนช่วยบอดนะคะพอบอดเกือบเสร็จคือเสร็จแล้วล่ะก็ส่งเอกสารอะไรเรียบร้อยพร้อมกับปิดประตู เพอร์เซอร์กับแอร์กําลังช่วยกันปิดประตูอยู่ค่ะคือเกือบปิดแล้วก็เห็นลูกเรือกลุ่มนั้นคือกลุ่มที่เสียชีวิตนี่กําลังวิ่งแบบวิ่งไปด้วยร้องขอไปด้วยนะคะเขาบอกว่าน่ากลัวมากทีนี้ด้วยความน่ากลัว2คนรีบปิดประตูแล้วก็มองลอดออกไปเห็นยืนร้องไห้กันอยู่สภาพดูไม่ได้เลยทีนี้ลูกเรือก็เลยแบบว่ายกมือไหว้ขอขมาแล้วก็เห็นว่าเพอร์เซอร์ได้นําสวดบอกว่าขอให้วิญ ญ, ญาณกลับบ้านด้วยแล้วก็ไปสู่สุคติ พี่เขาบอกว่าดูเขาอยากกลับบ้านกันนะก็เลยเชิญกลับบ้านจากนั้นก็ไม่เห็นอะไรเปิดประตูทิ้งไว้สักพักพี่2คนที่เห็นก็คุยกันบอกว่าอย่าบอกใครนะเดี๋ยวเขาตื่นตกใจตอนเสิร์ฟอาหารค่ะบนเครื่องบินมีผู้โดยสารทักบอกว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ลูกเรือเยอะจังบริการดีมากแอร์ชุดเขียวนะ่ะสวยนะฝากชมด้วยวันนั้นไม่มีใครใส่สบายเขียวเลยคุณผู้ฟังเขาบอกว่าจะใส่สีไม่สดกันเพราะว่าเป็นช่วงไว้ทุก์ ทุกคนก็เลยกลัวกันใหญ่ค่ะทีนี้พอถึงกรุงเทพหน้าเกตมีพระมีขบวนเลยอัญเชิญวิญญาณจุดธงจุดทูบกันกับตันบอกว่าตอนเข้าเกตแล้วได้ยินเสียงเพร์เซอร์คนที่ตายอะค่ะมากระซิบข้างหูบอกว่าขอบคุณมากครับกับตันนี่ก็เป็นเรื่องเล่าจากกราวที่สนามบินนะฮนะบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะผู้เสียชีวิตที่นั่งสายการบินไปชนภูเขาฮิมาลัยนะคะเสียชีวิต และทีนี้เนี่ยคือสายการบินไทยเนี่ยจะ ต, ต้องบินอยู่ที่นั่นอีกระหว่างที่เครื่องจอดเนี่ยผู้โดยสารก็เต็มลูกเต็มเต็มลำอยู่ทีนี้เนี่ยมีเพอร์เซอร์กับแอร์เนี่ยเขาเปิดประตูเพื่อที่จะรอรับผู้โดยสารที่อยู่สนามบินที่ไนปานแล้วเพอร์เซอร์กับแอร์เนี่ยมองเห็นว่ามีกลุ่มของผู้เสียชีวิตเนี่ยวิ่งตามมาเพื่อที่จะขึ้นเครื่องคงอยากจะกลับบ้านนะคะก็เลยคุยกัน2คนกระซิบบอกว่าอะให้กลับบ้าน ก, ากา็แล้วกันเปิดประตูรอจนคนในลำในลำเครื่องบินเนี่ย มองเห็นว่ามีแอร์แต่งตัวสวยๆมีลูกเรือเต็มไปหมดเลยนะคะจนกระทั่งเครื่องบินเนี่ยจอดที่สนามบินดอนเมืองกัปตันได้ยินเสียงกระซิบจากเพ r เซอร์ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วบอกว่าขอบคุณครับที่พากลับบ้านนี่แหละนะคะบีสรุปใจความสำคัญสำคัญให้ประมาณนี้นะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังเนี่ยที่บอกว่าเคยทางานอยู่ในห้องรับรองแขก VIP ของสายการบินหนึ่งเหมือนกันนะ บอกว่าวันนั้นเนี่ยทำงานกะดึกคือเลิกงานเที่ยงคืนห้องรับรองนี่จะมีสองฝั่งก็คือ business class กับ first class ซึ่ง first class เนี่ยนะคะก็จะไม่ค่อยมีคนมาใช้บริการมากเท่าไหร่วันที่ทำงานก็เหมือนกันพวกแม่บ้านก็ไปทำความสะอาดกันปกติแต่ว่าอยู่ๆค่ะแม่บ้านเดินเข้าไปในครัวหน้าตาตื่นบอกให้ไปดูที่โต๊ะรับแขกฝั่ง first class สิก็เลยบอกคนอื่นๆบอกว่าเดินออกไปดูกัน ปรากฏว่าเป็นรอยเท้าเด็กบนโต๊ะค่ะลักษณะน่าจะผอมๆยาวๆนิดนึงความยาวน่าจะเท่ากับโทรศัพท์มือถือแม่บ้านบอกเด็กที่ไหนก็ไม่รู้มาวิ่งเล่นบนโต๊ะเนี่ยวันนี้ไม่มีผู้โดยสารมานั่งฝั่งนี้เลยก็จริงอะค่ะไม่มีเลยวันนี้พี่พนักงานอีกคนนึงคอนเฟิร์มบอกว่าค่ะไม่มีทุกคนขนลุกเลยนะคะมองไปเจอนักดนตรี ซึ่งเป็นรูปปั้นนักดนตรีนะคะเป็นไม้แกะสลัก2ตัวนะคะประดับอยู่ตรงโตะนั้นขนาดเท้านี่ไล่เลี่ยกันก็เลยคิดว่าเออเป็นเขาหรือเปล่าแต่เขาไม่ได้มาเล่นให้กังวลหรือว่าให้กลัวอะไรงี้อาจจะมาให้โชคก็ได้แม่บ้านถูกหวยค่ะสรุปเพราะว่าโตที่วางรูปปัน้นหรือว่าไม้แกะสลักนักดนตรีเนี่ยมันจะมีเลขนะคะแม่บ้านก็ไปซื้อหวยดันถูกอีก ที่นี้อยู่เรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องจากสมาชิกหมายเลข704534เป็นเรื่องผีที่ดอนเมืองอันนี้บอกว่ามีมานานแล้วช่วงปี2527ไปซ่อมเครื่องทำความเย็นที่อาคารผู้โดยสารขาออกจำไม่ได้ว่าเป็นอาคารอะไรเพราะว่าเปลี่ยนไปเยอะมากเมื่อก่อนนี้ยังไม่มีอาคารจอดรถแบบนี้นะก็กำลังรอเซต ร, ระบบความเย็นอยู่ จนเวลาประมาณตี3ค่ะมีคนวิ่งมาทางพวกที่กำลังนั่งหลับนกกันอยู่ๆก็วิ่งมาแล้วก็ถามกลุ่มคนที่เป็นช่างนี่บอกว่าเห็นใครวิ่งมาตรงนี้ไหมกลุ่มคนที่เป็นช่างก็เลยตอบบอกว่าพวกผมนี้นั่งบ้างนอนบ้างถ้ามีใครวิ่งมาก็เหยียบหัวเหยียบแข้งเหยียบขาที่ก่ายกันระเกะระกะพวกผมพากันงงว่าถามแบบนี้นต้องมีอะไรไม่ดีแน่ๆพวกที่วิ่งมานี่แต่งกายเป็นช่างการบินไทยทุกคน ก็เลยถามสองสามครั้งพวกเขาไม่ตอบแล้วก็ค่อยๆเดินหายไปทีละคนเหมือนไม่มีเท้าเดินเลยนะคือเหมือนลอยไปเรื่อยๆผมไม่ได้สังเกตอะไรมากนะักตาจ้องที่หน้าปัดเกจวัดแรงดันไนโตรเจนแต่ว่าในหัวนี่คิดว่าอา้าวแล้วที่วิ่งกันมามันไม่มีเสียงวิ่งเลยเนี่ยมันเป็นใครแล้วมาทำไมในห้องเครื่องเท้าไวกว่าความคิดค่ะ ช่างบอกว่าผมวิ่งออกไปทางที่พวกเขาหายเข้าไปมันเป็นทางเลี้ยวก็วิ่งชนประตูโครมเลยเป็นแผ่นไม้อัดตีปิดทับประตูที่าชายข้างล่างผุผู๋นะคะจมูกบวมเป่งเลยงงมากว่านี่มันเกิดอะไรกันขึ้นมันต้องเป็นผีแน่ๆเลยผมไม่เคยกลัวผี เคยท้าติท้าต่อยกับผีกลางสุสานวัดดอนมาแล้วตอนนั้นเมาจัดง้าเป้งแค่ขนลุกแต่ก็ต้องทำอยู่จนเสร็จจนฟ้าสางพวกผมห้าคนนี่ตาโหลเหลแปลกพี่กนไม่มีแรงยืนเหมือนไปต่อสู้กับอะไรมาทั้งกองพัน์เสื้อผ้าชุดชอบมอมแมมเลอะเปื้อนทุกคน ผมถึงกับเสื้อขาดมันเป็นไปไม่ได้พวกเราไม่ได้ไปมุดไปปีนไปอะไรที่ไหนเลยจนเจ็ดโมงเชา้าหัวหน้าช่างการบินไทยเดินมาหาถามว่าเมื่อคืนไปต่อยใครกันตรงนี้มีคนเห็นพวกคุณต่อยกัน 3-4 มสี่คนมีเรื่องอะไรกันบ้าที่สุดผมในฐานะหัวหน้าขาสั่นหน้าซีดลูกน้องคนลบบุรีร่วงหล่น นอนตาปลิ้นน้ำลายฟูมปากหัวหน้าแกก็ต้องวอร์เรียกพวกช่างให้มาพาพวกผมออกไปจากตรงนั้นที่สุดแล้วเป็นพวกผมได้ตีกับผีช่างการบินไทยที่แทงกันตายตรงนี้เพราะเหตุทะเลาะเรื่องผู้หญิงที่เป็นแอร์โฮสเตสกลัวสุดขีดแต่ไม่ถอยที่แปลกใจคือหัวหน้าช่างแกบอกแบบนี้ว่ า, าปีกว่ามาแล้วผียังคงไม่ไปไหน ที่พวกผมทำท่าทางเตะต่อยนั่นนี่แหละพวกเรากาลังเคลิมไม่รู้ตัวเป็นครั้งแรกที่ผมเจอผีจังยังมีอีกหลายครั้งที่เจอผีในห้องเครื่องที่โรงงานปลากระป๋องสมุทรสาครปี2528ก็เจอเอาน้ำอัดลมมาให้กินทั้งคืนมาทีใดยิ้มหวานมาก่อนเลยมารู้ตัว ต, วตอนเชาว่าเป็นอดีตแม่บ้านออฟฟิศชอบดูแลช่างผู้ชายหล่อๆเคยมีคนจูงมือเข้าไปในซอกเพื่อจุดๆๆด มีแบบนี้ด้วยนะช่างที่ทำแบบนั้นนี่ป่วยงอมตาโหลอ๋อโรงงานปลากระป๋องเสียคนดังที่ไปยิงตัวตายที่อเมริกานั่นแหละแกลงทุนมากแกก็เลยเครียดนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่บีนำมาฝากคุณผู้ฟังประจำวันนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพระเจอผีด้วยถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แต่ที่แน่แกดติดตามให้บีด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนหมดเวลาแล้วล่ะค่ะขอบคุณสาหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ